ทำวัดสวดมนต์ถึงจะอยู่พรรษานอกพรรษาพวกเราก็ทำเป็นประจำมาตลอดวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษามาแล้วได้เจ็ดวันเป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสิบเ็ดเป็นวันพระพวกเราผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ยังรักษาศีลอุโบสถตลอดสม่าเสมอแต่บางท่านมีกิธุระจำเป็นก็ได้เฉพาะในพรรษาก็นับว่า เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งในระดับหนึ่งแต่ตามที่จริงถ้ า, าว่าพวกเราจะรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนแต่ตามไม่จริงก็ไม่ขาดรายได้อะไรเพียงเสียสละวันเดียวเพื่อแสวงหาอาหารทางด้าน จ, จิตใจส่วนอาหารทางโลกอาหารทางปัจจัยสมีเงินคำทรัพย์สมบัติพวกเราจะให้ขาดตกบกพ่อง แต่ถึงวันพระพวกเราก็ตั้งใจรักษาศีลวันหนึ่งเจ็ดวันมีครั้งหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นของเขาที่มีอยู่ในโลกตะวันนี้ถ้าเป็นคริสเนี่ยเขาก็ยังคืออย่างเข้มขัดเขาก็ไม่ขาดทุกวันอาทิตย์ทางอิสลามอย่างนี้วันหนึ่งก็หลายครั้งที่เขาละหมาดแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยนับถือพุทธศาสนาแต่รู้สึกว่า การที่จะเข้าถึงวัดถึงหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะว่าไปแล้วล่อยล้อกว่าศา ส, สนาที่เราเห็นเห็นอยู่เพราะเหตุไรชาวพุทธของเราไม่กล้าทุ่มเทในการสร้างคุณงามความดีเพราะอะไรเพราะความไม่เชื่อส่วนหนึ่งคือศรัทธาคือในใจของเราไม่ได้ปลูกฝังไว้ให้ดีส่วนหนึ่งจึงทาให้ลวนเล ไม่แน่นไม่ปักหลักให้แน่นเพราะเราไม่ได้ศึกษาให้ดีแต่ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาปฏิบัติ ด, ด้วยศึกษาไปด้วยความหนักแน่นและความเชื่อมั่นในใจของพวกเราไม่มีใครที่จะมาบั่นทอนสั่นครรลอนลงไปได้แต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นพวกเรานับถือแบบงูงปล า, ปลาไม่ชัดเจนไม่จริงจัง ไม่แน่วแน่ไม่ศึกษาให้ถึงล่าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาการทำอะไรก็ตามถ้าทำไม่จริงจังแล้วจะเห็นจริงเห็นจังนั้นมันก็ยากแต่ถ้าว่าศึกษาให้จริงจังแล้วจะต้องเจอของจริงเพราะพระพุทธศาสนาเป็นของจริงมาแล้วตั้งแต่โบราณกาลคนโบราณพิสูจน์มาแล้วถึงสองพันห้ารอยกว่าปี มาถึงยุคของพวกเราแต่พวกเราี้พิสูจน์อย่างไม่จริงจังก็เลยทำให้ไม่เชื่อมั่นไม่ปักใจเชื่อจิตใจไม่มั่นคงสรุปแล้วก็คือศรัทธาคือความเชื่อนั้นอ่อนแอเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทพวกเราท่านทางหลายอุบาสกอุบาสิกาพิสูจ์สั ม, มนเนนที่นั่งอยู่บนศาลาแห่งนี้ก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจพิสูจน์ ของจริงพวกเราจะรู้จริงเห็นจริงแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยทานศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตตภาวนาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งคือหลักแก่นของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ทานกับศีลก็ยังเป็นความร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าพวกเราตั้งตั้งใจปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนา ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งจนถึงจิตเน่วแน่สงบเห็นจิตใจของตัวเองเข้าสู่ฐานแห่งความสงบแล้วนั่นลหละความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าไม่ต้องถามใครตัวเองเป็นผู้รับรั บ, รบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้เชื่อมั่นถอนไม่ขึ้นแต่ถ้าว่าพวกเราศึกษาแบบ ละไปหรือศึกษาไม่จริงจังอันนั้นแปลว่าศรัท ธ, ธาคลอนแคลนศรัท ธ, ธาไม่ตั้งมัน่นใครมาโยกพรไปทางไหนก็ไปตามนั้นโดยมากชาวพุทธของเราจะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างมากมีแต่สําหรับนักปฏิบัติหรือนักภาวนาที่สนใจจริงนั่งภาวนาถึงจะอยู่ในบ้านถึงจะอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม ถ้าวัานตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติแล้วนั่นแ่ะคนอย่างนั้นแ่ะจะเป็นผู้เชื่อมัน่นถอนไม่ขึ้นจะไปถอนขึ้นยังไงเหมือนกับเราเห็นไฟเนี่ยวรู้ว่ามันร้อนเราเห็นว่ามันร้อนเราถูกยี่แล้วมันร้อนใครจะว่าเย็นขนาดไหนในใจคอก็เชื่อว่าอันนั้นคือมันร้อนนี้ก็เหมือนกันเขาว่าเรื่องเป็นบาปเรื่องบุญ ก็ดีรู้แก่ใจของเรามันรู้แก่ใจอันนี้คือสัมผัสทางบาปอันนี้สัมผัสทางบุญบุญเป็นความสุขความเย็นใจส่วนบาปนนคืออกุศลก็คือเป็นไฟคือความร้อนร้อนเร่าในจิตใจเพราะนั้นจะทำยังไงทั้งสองอย่างนี่ทำยังไงมันเป็นบาปจึงจะทำให้ร้อนทำยังไงจึงจะเป็นบุญทำให้เย็นนี่หลักคาคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้ว ไม่มีการเปลี่ยนไปอย่างอื่นถ้าพวกเราได้ศึกษาให้จริงจังพรฝอยนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านถ้าว่าศึกษาอย่างจริงจังแล้วจะเชื่อโดยตนเองตายแล้วเกิดตายแล้วสูญชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงผมมโลกนิพพานมีจริงบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงแท้แน่นอน ถ้าหากว่าเราพิสูจน์ด้วยตนเองเราไต่ตรองด้วยตนเองถ้าเราทําำคำชั่วกคำชั่วมีจริงไห ม, มก็จริงถ้าเราไปลักไปพ้นไปจีบไปขโมยไปทําให้สิ่งที่มันดีผิดกฎหมายกฎหมายก็จะลงโทษทันทีในปัจจุบันถ้าหากว่าในชาติหน้านั้นลงโทษปีอิดในระดับหนึ่ง ถ้าเราทำกรรมดีล่ะสร้างคุณงามความดีไปที่ไหนมีแต่ให้ความผ่อมเย็นเป็นสุขสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีโทษทำกรรมดีนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ด้วยหลักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เชื่อแบบหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยหรืออาจารย์อาตมาพูดอย่างเนี้ย่ท่านก็ไม่ให้เชื่อเลยนะ ต้องให้พิสูจน์ซะก่อนอย่าไปเชื่อตามครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อที่คนที่เชื่อถือได้อย่าไปเชื่อตามตำลับตำราอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้หมดเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีเพราะนั้นต้องพิสูจน์จะทํำยังไงหลักพิสูจน์คืออะไรเราต้องศึกษานะอันดับแรกก็คือการนั่งภาวนาเนี่ยเวลานั่งภาวนาอย่างนั่งอย่างพระประธานที่อยู่ใน หน้าของพวกเราท่านทั้งหลายนั่งจางนี้ทำกายให้ตรงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงหลับตาดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโพอันนี้คือกายกรรมในการกระทําทางกายจากนั้นวจีกรรมหยดูดไม่ต้องพูดในขณะที่นั่งโพนาะโนกรรมบริกรรม ใจต้องบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือหลักพิสูจน์เบื้องต้นที่เราจะรู้ว่าใจของเราเป็นยังไงกายของเราเป็นยังไงทางว่าเราพิสูจน์นั่งพิสูจน์ตัวนี้ได้แล้วเรารู้ว่ากายเรารู้ว่าจิตมันเป็นคนละอันกันเป็นคนละส่วนกัน แต่ทั้งสองอย่างนี้อาศัยกันอยู่เหลือว่ารูปประธรรมนามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่ทั้งสองอย่างนี้อาศัยกันอยู่ไม่ได้แยกจากกันถ้าว่านามธรรมแยกออกจากกายร่างกายนั้นก็หมดสภาพตายเนี่พราะว่าใจออกจากร่างแนละ้วเหมือนกับคนออกจากรถอย่างนั้นรถมันก็หยุดมันไปไม่ได้แต่ถ้าว่า คนขับขึ้นไปขับรถรถก็ไปได้ถ้ารถอยู่ในสภาพดีแต่ถ้าว่ารถหมดสภาพแล้วคนขับรถดีขนาดไหนขึ้นไปขับมันก็ไปไม่ได้เพราะรถมันหมดสภาพรถมันตายแล้วนี่ก็เหมือนกันร่างกายของคนเราทุกๆ ท, ท่านถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นชัดก็เหมือนกับรถนั่นน่ะนามธรรมก็คือคนขับรถอาศัยกันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าที่นี่เมื่อร่างกายแตกสลายตายไป นามธรรมนั้นไม่ตายเป็นปฏิสนที่ไปเกิดที่อื่นอีกตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ทําดีหบุญกุศลก็เข้าไปสวมใส่พาไปเป็นบุญกุศลเป็นผู้นําทางแต่ถ้าว่าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็เขามาล็อกตัวของเราพาไปในทางทุกคติไปเกิดเป็นช้างม้าโวควายหมูม้มาเปไก่ตกนรกหมกไหม คือกรรมชั่วพาไปทางว่ามีกรรมดีพาไปก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหมจนถึงเข้าสู่พระนิพพานได้อันนี้คือบุญกุศลพาไปเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายให้ศึกษาอย่าพิ่มปฏิเสธให้ศึกษาว่าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นจิี่มากน้อยแค่ไหน อย่าเพิงดวนเชื่อที่พระพุทธเจ้าไปให้เชื่อตามครูบาอาจารย์บอกกล่าวไม่เชื่อตามตำรับตำราอย่างเนี้มีหลายหลายอย่างีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพราะนั้นจะเชื่อต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้นเพราะนั้นพวกเราให้ตั้งใจลงมือภาวนาให้ศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองในเมื่อรู้ได้โดยตนเองแล้วนั่นแหละความเชื่อจุดนี้แหละถอนไม่ขึ้นทีนี้ เชื่ออย่างจริงจังไม่ใช่เชื่อแบบลอยลอยไม่ใช่เชื่อแบบเขาพาว่าไปก็เชื่อไปตามเขาที่เขาพูดถ้าเชื่ออย่างนั้นเลยแปลว่าเชื่อไม่หนักแน่นถ้าว่าเชื่อในภาคปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังแล้วนั่นล่ละเป็นความเชื่อที่จริงจังที่แน่นอนเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะให้พิจารณาถึงการเป็นอยู่ของพวกเราเนะนะ่ะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไง แก่แล้วเป็นยังไงเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงตายเป็นยังไงร่างกายของคนเราเนี่ยถึงจะว่ามีความสุขสนุกสนานขนาดไหนก็เถอะมีจุดจบมีจุดจบคือมรณะคือความตายเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพระพุท ธ, ทธเจ้าท่านเทศนาหรือว่าอบรมสั่งสอนเอาไว้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสถานที่ไม่มีสัตว์ตายไม่มีในโลกมไม่มีที่ว่างเว้น ที่ไหนสัตว์ตายหมดในน้ําบนบกที่ไหนไหนก็ตายสัพสัตวทั้งหลายช้างหมาบูกควายหมูหมาเป็ไก่มนุษย์นี่แหละในน้ําก็มีสัตว์ตายอยู่บนภูเขาก็มีสัตว์ตายเพราว่าสัตว์คํานี้มนุษย์ก็คือสัตว์เหมือนกันสัตตะเป็นว่าผู้ยังอคงในภพในชาติในวัฏสงสารยังคงอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะนี่ว่าสัตตะยังคงอยู่นะ พวกเราทุกคน่ะเป็นสัตว์ทั้งหมดยังคล้องอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นในภพในชาติถ้าหากว่าท่านตัดภพตัดชาติเป็นพระอรหันได้แล้วไม่มาเวียนไหวตายเกิดอันนั้นเลยว่าเป็นอริยะบุคคลไปแล้วจ้ะเนี่ยอริยะบุคคลผู้สูงสุดแล้วตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแต่นอกจากนั้นแล้วเป็นกติไม่แน่นอนพร้อมที่จะมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสาร เป็นอนันตาการสูงสู ง, สงต่ำๆลุ่มลุมด อ, ดอนดอนไปเกิดเป็นเทวดาอินพรมไปเกิดเป็นสัตว์ทุเรียนชนหลายหลายประเภทนานาชนิดพวก น, นั้นปัตตสงสารนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังท่านบอกว่ากระดูกของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยถ้าหาว่ากองกองกันไว้ไม่ละลายไม่แตกไม่ละลายมันจะสูงเท่าภูเขาขการเียนไหตาเกิดของมนุษยชาติมากถึงขนาดนั้น ในโลกนี้ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีสัตว์ตายมีทั้งหมดแต่ท่านยังพูดว่าพระอา น, นุ์อายุของท่านร้อยี่สิบปีนะเห็นเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นอายุแปดสิบปีท่านก็ดับขันปริมีพานแต่พระอานนุ์เมื่อพระพุทธเจ้าดับขันปริมีพานแล้วพระอานนุ์ยังยืนไปอีกถึงร้อยยี่สิบปี แสดงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระอานุ์ยังยืนไปอีกสี่สิบปีว่างั้นเถอะเพราะนั่นท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนญาติโยบในยุกสมัยนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันไปแล้วพระอานุ์ก็ยังอยู่เป็นพุทธอุปถาเห็นพระอานุ์กัระลึกถึงพระพุทธเจ้ากราบไหว้สักการะบูชาในพระอานนุ์ผลที่สุดพระอานุ์ก็ก่อนที่ท่านจะปรินิพาน ท่านก็มาอยู่ฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งคือกรุงกบิลพัทกับเมืองวิเทหะพระอนอนท์ก็ท่าน ต, วตรวจตาดูชีวิตของท่านแล้วเนี่ยคือพระอรหันเนี่ยเวลาท่านจะล่วงลับดับขานเนี่ยท่านจะตรวจตาดูนะนว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่หมดอายุหรือยังอย่างเนี้ยท่านก็จะ ต, วตรวจตาดูชีวิตของของท่านเพราะท่านมีญ า, านัทน่น แต่นั้นท่านก็บอกว่าอีเกเจ็ดวันนะเราอาโนนจะมรณาภาพจะตายแล้วทีนี้คนทั้งสองฝั่งก็เป็นฝั่ง้างนู้นพิเทหะเป็นเชื่อทางแม่ทางนี้ก็เป็นเชื่อทางพ่อเป็นเชื่อพระวง์ทีนี้ทางนู้นเขาก็บอกว่าท่านอาโนนต้องมาปรินิพานฝั่งเราทางฝ่ายทางนี้ก็บอกท่านอาโนนท่านต้องมาปรินิพานด้วยวาตายฝั่งเรา ปีดพระนน์ก็ดูทั้งสองข้างอทางว่าเราปรินิพานข้างใดข้างหนึ่งตายข้างใดข้างหนึ่งต้องเกิดศึกแน่นอนพานน์คือการจะแย่งกระดูกกันว่างั้นเละแย่งศีรพระพานน์พานน์ก็ถึงเจ็ดวันแล้วเราจะต้องแบ่งภาคร่างกายให้เป็นสองภาคจากนั้นพระนน์ก็ขึ้นสแสดงฤทธ์นั่งอยู่บนอากาศว่างั้นนะสูงสามต้นลําตาล จากนั้นพระอานอน์ก็เทศนาว่าการบอกว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแพ้แน่นอนเราจะต้องบริญิพานแล้วถึงการเวลาแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วอายุร้อยี่สิบปีแล้วหมดสภาพแล้วร่างกายเนี่ยพอเทศนาว่าการจบแล้วท่านก็บอกว่าอย่าประมาทนะชีวิตของคนเราถึงจะยืนขนาดไหนก็เถอะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละร่างกายต้องแตกเป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายในเมื่อพระอนอน์เทศทั้งสองฝ่ายได้ยินทุกคนจากนั้นพระอนุก็เข้าเตโชทาตุแบบนั้นะเผาร่างกายของท่านเองให้แตกเป็นสองภาคกระตกไปทางนู้นส่วนอกมาทางนี้อีกส่วนหนึ่งคือให้ส่วนญาติทางมารดาแล็ญาติทางบิดาอันนี้คือพระ อ, น, อ น, นุเนยปริญญิพานว่าตายในสิ่งที่คนตายได้ยากในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สองสามท่านนะ ที่ปรินิพานอย่างที่ว่านที่จําได้ก็คือจันตติมหาอามาตท่านหนึ่งแล้วก็พภ า, ากุระท่านหนึ่งที่ว่าเหาะขึ้นบนอากาศแล้วอธิษฐานจิตให้ไฟไหม้แล้วแบบตกลงมาไม่ต้องได้เผายากเหมือนกันเด็เข้าเตโชกสินถ้าจะว่าไปแล้วก็พวกเราไม่ได้เกิดในยุคสมัยนั้นทางว่าพวกเราเกิดในยุคสมัยนั้นพวกเราก็คงจะเชื่อได้ แต่พวกเราไม่ได้เกิดในยุคสมัยนั้นมายุคสมัยนี้พูดพวกเราก็คงจะว่าเหลือเชื่อแต่คนในยุคสมัยนั้นเป็นของธรรมดาในการแสดงฤทธิ์แสดงเดชของพระอรหันต์ในยุคสมัยนั้นเป็นของธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอภินิหารมีอยู่สามอิทธิ ป, ปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาปฏิหารดักใจทายใจได้ อนุสาสนีปฏิหารแสดงธรรมเทศนาอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจในเหตุและผลที่จะแสดงให้ฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามนี้พระพุทธเจ้ายกย่องว่าอนุสาสนีปฏิหารประเสริฐกว่าคือพยายามอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจได้อันนี้ประเสริฐกว่าอภินิหารสองอย่างนั้น อภินิหารอันแรกก็คืออิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้ท่านว่าฤูศีชีภัยในยุคสมัยนั้นแสดงฤทธิ์ได้เมื่อเขาอยู่ในป่าภาวนาเป็นกระสินเกิดยานเกิดฌานขึ้นมาทำคนหนึ่งให้เป็นสองคนแสดงฤทธิ์หายตัวได้เพาะได้มีเป็นของธรรมดาธรรมดามากในยุคสมัยนั้นอันนี้เราอิทธิปฏิหาร อเิศฐาปฏิหารดักใจทายใจได้เมื่อเห็นหน้าแล้วก็มองดูว่าพายทายหรอคุณพูดอะไรคุณคิดอะไรคุณจะทําอะไรอย่างนี้เจ้าจะทําอะไรอย่างนี้ท่านจะรู้ได้อันนี้ก็คือเป็นคนในยุคสมัยนั้นพวกมายาคนทั้งหลายเขามองแล้วเขาก็รู้ได้ทักใจดักใจทายใจได้ไม่ใช่ของแปลกอนุสาสนีปฏิหารอ้างเหตุผลและผู้ฟังเข้าใจคือคนไม่เข้าใจในหลักธรรมะ คนไม่เข้าใจในเรื่องนรกสวรรค์คนไม่เข้าใจในอั น, นิี้สงทานศีลภาวนาไม่รู้จักคุณบิดามารดาไม่รู้จักไวยวุตคุณวุตไม่รู้จักความดีความชั่วแต่อธิบายให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าประเสริฐกว่าดีกว่าปฏิหารสองอย่างข้างบนคือถ้าเปรียบเทียบเทียบที่น่าจมาพูดเบื้องต้นว่าพระอนุน ท่านปรินิพาในในกลางอากาศอันนี้ถ้าพวกเราในยุคสมัยนี้พวกเราก็ เ, ออเหลือเชื่อนะแต่พื้นยังไงก็ตามให้ฟังไปก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อให้ฟังไป้ก่อนหลวงพ่อเคยไปนั่งเครื่องบินเปรียบเทียบกับอิทธิปฏิหารในยุคสมัยครั้งพระพุทธเจา้าเมื่อหลวงพ่อนั่งเครื่องบินเอถ้าหากว่าเครื่องบินนี่นะในยุคสมัยนี้เขาประกอบเครื่องบินบินได้ข้ามเทวีบเทวีบ ไปกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนใหม่ก็ได้แต่ถ้าว่าต่อไปมีเกิดศึกสงครามฆ่ากันล้างโลกแต่มีคนเขียนประวัติไว้นะบันทึกในถ้ำหรือในที่ไหนไว้ก็ตามนะอย่างหลักจิลาจารึกเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้ก็คนมาแกะอ่านดูเนี่ยในยุคสมัยหนึ่งเมื่อนานมาแล้วคนสมัยนั้นประกอบท่อนเหล็กโลหะต่างๆแล้วมีน้ํามันเป็นเชื้อเพลิง แล้วพามนุษย์ไปได้พันกิโลหมื่นกิโลอย่างนี้ี่มีคนเชื่อหรือเปล่าน้อหลวงพ่อคิดนะคงจะหาคนเชื่อได้ยากเพราะนั่นท่อนเหล็กมันจะขึ้นได้อย่างไรมันจะบินได้อย่างไงจะใช้น้ํามันอย่างไรแต่มายุคนี้ไม่ใช่ของเหลือวิสัยเราเชื่อไหมว่าเขาประกอบอย่างงั้นบินได้มันเชื่อได้อย่างไงเพราะเห็นจริงๆแต่ถ้าว่ามันหมดยุคไปแล้ว โรงงานต่างๆมันพังระดีระนาดไปหมดแล้วเอถูกทําลายไปหมดแล้วแต่เห็นแต่หลักศิลาจารึกไว้เขียนในตําราเอาไว้พวกเราจะเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์ในยุคนั้นแต่ว่ามันเป็นไปได้แล้วในยุคนี้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเทียบเทียบกับพระในครั้งพระพุทธเจ้าการแสดงอิทธิฤทธิ์นั้นเป็นของธรรมดามากสําหรับพระในยุคสมัยนั้น ที่มีบุญยาธิการมีบุญบารมีที่ท่านได้สังสมเอาไว้ท่านเคยเป็นฤาษีชีภัยมาก่อนจากนั้นท่านเข้ามาบวชกับบำเพ็ญตปะบำเพ็ญยาณทัศนะจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลการแสดงอิทธิฤทธินั้นเป็นของง่ายมากสําหรับพระหรหันในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ตามไม่จริงมายุคสมัยนี้จะมีหรือไม่ก็สุดแท้แต่ที่จะเดาเดาได้ยากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ท่านจะปวดอ้างได้ไง่ายๆถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะท่านก็จะไม่ปวดเพราะทำให้ใพุทธศาสนาเสื่อมลงได้เหมือนกันทั้งว่าท่านองค์ใดมีอิทธิฤทธิ์คนทั้งหลายไปเจเฮโลไปนับถือเลื่อมใสกับท่านแล้วองค์อื่นเขาไม่ให้ข้าวไม่ถวายปัจใจศีลเพราะพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้แสดงฤทธิ์ในครั้งพระพุทธเจ้าอย่างท่านปินโทธราวัชชะท่านหอกเหินเดินฟ้าได้ คนประมาทป่ะพระหรหันมีไหมในโลกในยุคนี้ถ้ามีก็อยากจะเห็นท่านปินโทต ร, รวัตชาก่อนเขาประมาทมากตรงนั้นจ้ะท่านก็เลยเหาะให้เขาดูแสดงอิทธิฤทธิให้เขาดูคนทั้งหลายก็นับถือเริ่มใสเพราะพู้ใหญเจ้าก็บรร ญ, ญายพีน่นายบอกว่าปินโธตรวัตชาท่านเป็นพระหรหันแล้วนะอท่านปินโทตรวัตชาถ้าเธอแสดงฤทธิ์อย่างนี้คนทั้งหลายนับถือท่าน แต่องค์อื่นที่เขาแสดงฤทธิ์ไม่ได้จะเขาจะได้ฉันอะไรเขาจะอยู่กินได้อย่างไรเพราะคนทั้งหลายมานับถือท่านอติเลกขลาภของท่านมากแล้วแล้วท่านเหล่านั้นจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็าตามแสดงอิทธิฤทธิ์บวตอุตตริมนุสธรรมธรรมมันยิ่งของมนุษย์ปรับอบัตภิกษุแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ปรับอวบัตทุกกฎบวตอุตตริมนุสธรรมปรับอบัตปาริจิตि เพราะเหตุ น, นั้นหลักของพุทธศาสนามีเหตุมีผลนะถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วมีเหตุมีผลทุกขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติภาวินัยให้พวกพระสองฆ์องค์พระเจ้าทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพวกญาติโยมทุกๆ ท, ท่านที่มารักษาศีลภาวนาในวันนี้ก่อให้ตั้งอกตั้งใจนะในชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นของไม่เพียงแท้แน่นอนไม่รู้จะจากไปวันไหนมรณงเมภาวิสติให้ภาวนาไว้อยู่เสมอ ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถึงร้อยปีแน่แน่เพาะงั้นเดี๋ยวนี้เรามีเท่าไหร่แล้วลเพราะนั้นต้องพยายามพิจารณาอยู่เสมอคนภาวนาถึงวรณะนุสติอยู่บ่อยๆเขาจะไม่สะทกสะท้านจิตใจจะไม่หวั่นไหวเพราะคิดไปแล้วตั้งความรอบขอบไว้แล้วชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นเราก็ต้องทําคุณงามความดีไม่ใช่คิดอย่างนั้นเฉยๆได้พราคิดอย่างนั้นไวแล้วกั ทำคุณงามความดีบวตรสร้างบุญสร้างกุศลอย่าประมาทสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลเตรียมเอาไว้เตรียมสเสบียงเดินทางเอาไว้เพราะเราจะต้องเดินทางไกลแน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเราจึงเตรียมสเสบียงเดินทางคือสร้างบุญสร้างกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งภาวนาอยู่ในวันนี้ที่มาฟังรักษาศีลมาฟังคําโพูดัูฟังเทศของหลวงพ่อในขณะนี้มาฟังเพื่อหวังบุญหวังกุศลเพื่อจะนําคติเตือนใจสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่นะให้ประมาท จากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเราจะให้ทานยังไงรักษาศีลอย่างไงนั่งภาวนาอย่างไงทําจิตให้สงบอย่างไรอย่างนี้เราก็เก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆถ้าว่าพวกเราทําอย่างนี้โดยความไม่ประมาทอนาคตของพวกเราคนนั้นแหละสวรรค์อมตะโลกนิพพานไม่เหลือวิสัยสําหรับผู้ไม่ประมาทแต่ถ้าว่าผู้ที่ประมาทแล้ว ไม่เชื่อวันทรกสวรรค์ติมีตายและสูญคนเช่นนั้นอ่ะงอตายไปแล้วขนาดละถ้าว่าไปเจอของจริงเข้าแล้วจะทำยังไงเหมือนกับวันเราปฏิเสธวออ่านพุ่งนี้ไม่มีเห็นไหมถ้าวันพุ่งนี้มีเราจะทํำยังไงถ้าว่าคนที่เตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาทถึงจะมีหรือไม่มีก็ตามเพราะยังไม่ถึงเราก็เตรียมตัวเอาไว้เตรียมเงินเอาไว้เตรียมอาบดิเองเอาไว้ถ้ามันไม่มีละ่ะถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งซะ ไม่เห็นเสียหายอะไรแต่ถ้ามันมีละ่ะนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าชาติหน้าไม่มีเราสั่งสมมาไวเราสร้างคุณงามความดีวไว้เราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะทาตัวไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนคนที่ทำคุณงามความดีผู้ที่อยู่ใกล้เราเขาก็สบายใจตรงกันข้าม ทางว่าเราทํำกรรมชั่วเบียดเบียนคนอื่นเอารัดเอาเปียบคนอื่นใครมาอยู่ใกล้ก็เดือดร้อนทั้งนั้นน่นนะเพราะว่าไม่เชื่อบาปเชื่อบุญเนี่ยชาติหน้าไม่มีใครจะฆ่าจะตีจะโคตจะโกงอะไรใครก็ได้เพราะว่าชาติหน้าไม่มีจะทําความชั่วอะไรก็ทําได้ไม่ได้เกรงกลัวทางบาปเกรงแต่กฎหมายเท่านั้นนะแต่ว่าในที่แจ้งกลัวเขาเห็นนั่นเองส่วนในที่เมิดนั้นไม่กลัวใครทั้งหมดเพราะไม่เชื่อพอตายแล้ว จะต้องเกิดอีกนี่แหละถ้าใครอยู่ใกล้คนประเภทอย่างนั้นแล้วหวาดผวามากัน้นเถอะเพราะว่าเขาอยู่ในที่แจ้งท่านเองเขากลัวที่อยู่ในที่มืดแล้วเขาไม่กลัวทั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาสามารถทําความชั่วได้ทุกสถานที่เมื่อมีโอกาสหรือรับตาที่มองคนไม่สามารถที่จะพิสูจน์เขาได้ อันนี้น่ากลัวคนประเภทอย่างนั้นแต่คนที่เชื่อในบาปในบุญนรกสวรรค์มีถ้าเราทำไปเนี่ยไปตกนรกหมกไหมนะหรือว่าชาตินามีเราจะต้องได้รับกรรมที่ตนได้กระทำไว้เราได้กระทำไว้ถ้าเราฆ่าเขาในชาตินี้เกิดชาติหน้าเขาก็ไปฆ่าเราเรากลัวไหมเรากลัวตายไหมเราก็กลัวตายเพราะเราไปฆ่าเขาเขาก็ตายเกิดชาตินามาเขามาฆ่าเราอีก เราก็ต้องใช้กรรมที่ตนได้กระทาอันนี้ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราเชื่อกรรมอย่างนั้นเราจะไม่ทํากรรมชั่วเพราะกรรมชั่วนะั้นจะต้องตามสนองเราทุกภพทุกชาติในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเป็นธรรมที่หนึ่งไม่มีสองมือนกันนะเพราะดั้นพวกเราท่านทั้งหลายเคยเห็นคนที่ถูกฆ่าถูกแกงเราเคคิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะถูกฆ่าแต่ตามไม่จริงคนนี้เขาฆ่าคนใน อดีตชาติมาแล้วกงล้อกำเกวียนมาพบมาเจอกันเขาก็มาฆ่าเราเราก็ต้องตายด้วยน้ำมือของเขาก็เหตุไดเพร า, เ, าเราทำกรรมเราทำไม่ดีไว้ในอดีตชาติก่อนพบก่อนนะู่นน่ะอย่างพระโมกัลาเป็นตัวอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาไว้จากนั้นก็ถูกคนฆ่ามาทุกพบทุกชาติมาถึงชาตินี้ก็เป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีอิทธิฤทธ เหาเหินเดินฟ้าได้แต่ผลที่สุดก็ถูกโจนฆ่าพุทธบริษัททั้งหลายก็ตำณิ์ติฉินนินทาว่าไม่น่าพระโมกขลาเป็นคนดีเล้วเกินเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีคุณธรรมเปี่ยมล้นเป็นผู้มีเมตตาโจนไม่น่าจะฆ่าพระโมกขลาอันนี้คือสามัญชนทั้งหลายที่คิดกันแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ อดีตอนาคตทุกอย่างพระพระโองค์บอกว่าโมกคลาสมควรตายเพราะเหตุไรเพราะอดีตชาติพระโมกคลาฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะนั้นจากฆ่าแล้วพระโมกคลาถูกฆ่ามาเป็นลําดับลําดับลําดั บ, ดบจนถึงชาตินี้เป็นชาติตุดท้ายของโมกคลาจะเข้าสู่ปรินิพานกรรมเก่าที่ได้ทำมาแล้วจะเช็คบินคืนอีกอย่างเก่าอ่างั้นแหะ แต่ออกจากชาตินี้ไปแล้วเป็นอโหสิกรรมกรรมให้ผลสาเร็จแล้วกรรมตามไม่ทันเพราโมกคลาเหมือนกับนกบินในอากาศไม่สามารถที่จะเห็นรอยนกบินได้นี่ก็เหมือนกันพระหันเข้าสู่ปรินิพานก็เหมือนกับไม่มีรอยในอากาศกรรมตามไม่ทันหมดเหมือนกับคนลงไปในน้ําอย่างนั้นนะพอไปในน้ําเสร็จแล้วก่อ ลอยว่ายน้ำไปลอยไปใช้เรือใช้แพข้ามน้ําไปเยหมาก็เหมือนกับกรรมไล่ไปไปถึงฝั่งแล้วก็ตรงพูดตรงพูดตรง ฟ, ดดง ฟ, ดดงฟาดเอดําไม่รู้หาที่ไปที่หมาไม่เจอนั่นแหละไปถึงน้ำมหาสมุทรทะเลไม่รู้จะไปทางไหนผลที่สุดกรรมตอนนั้นก็ไม่รู้จะตามไปที่ไหนเนี่ยเป็นโอโหสี่กรรมเกี่ยวกับกรรมสําเร็จให้ผลสําเร็จพ่อกรรมตามไม่ทันท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเข้าไปอีกฝากหนึ่งไปแล้ว เป็นจิตธรรมที่บริสุทธิ์ไปแล้วเข้าอยู่สู่อวกาศของจิตอวกาศของธรรมแล้วไม่ได้อยู่ให้โลกดึงดูดอีกแล้วอันนั้นคือท่านพระโมกคาราที่ท่านได้สําเร็จเป็นพระราหารันจบเพราะงั้นแต่ท่านว่าท่านยังมีชีวิตต่อไปอีกนะถ้าท่านยังไม่ได้เป็นพระาารหันนะท่านก็จะต้องได้ถูกฆ่าอีกเพราะนั้นพระพุทธเจา้าจังหวะพระโมกคลาสมควรแก่กรรมที่ได้กระทําไว้แล้ว เพราะนั้นถ้าจะว่าไปเนีย่ยหลักของพุทธศาสนาในกรรมคือการกระทำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวนะกรรมถ้าทำกรรมสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นจะต้องตามสนองถ้าทํากรรมดีไว้กรรมดีน่าจะตามสนองถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามเราเพราะฉะนั้นอย่าไปทําในโอวัตพระปฏิโมกข์ อ, กขขอยยขักตรังทุกตรังเสโยปัจฉาตะปฏีลูกตรังกรรมชั่วจะทําเสดยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเราเมื่อภายหลัง เพราะนั้นพวกเราให้ประกอบแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราพวกเราจะพบแต่ความสุขความเย็นใจตลอดไปเพราอ ง, งั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราก็อย่างที่หวงพ่อได้พูดมาแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งนะสาหรับพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายอย่ามองข้ามจุดนี้เด็ดขาดที่จะไปสู่นิพพานได้ ใ น, นสงทานศีลภาวนาหนุนกันนะหนุนกันตามลาพับแต่พูดที่จะตัดสินใจใ จ, จ, จริงๆคือภาวนานการภาวนาเนี่ยแหละคือหลักที่จะพิสูจน์หรือหลักที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้คือปฏิบัติปฏิบัติก็คือภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งด้วยจิตสงบพอสมควรแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญา เดินวิปัสนาพิจารณาแยกแยะดูกายกับใจอย่างที่หลวงพ่อพูดกายเป็นยังไงใจเป็นยังไง ร, รูปธรรมเป็นยังไงนามธรรมเป็นยังไงถ้านได้ให้มองเห็นทั้งรูปธรรมรูปธรรมนันคืออะไรคือร่างกายของพวกเราท่านทางไหลาขาสองแขน 2, สองศีรษะหนึ่งร่างกายของพวกเราตั้งแต่หัวจดเท้าในร่างกายนี่มีอะไรบ้างให้ดูให้กาหนดดูให้พิจารณาดู ที่หนังพุ่มอยู่เน่เข้าไปข้างในเป็นยังไงถ้าลอกถลอกหนังออกเป็นยังไงมันมีเนื้อมันมีเอ็นมันมีกระดูกข้างใน mm. จากนั้นมาในช่องท้องของเราก็มีตับมีปอดมีลำไส้มีตไตอวัยวะภายในเหมือนกับของสัตว์ไม่แพ้กันอันนี้คือของมนุษย์เนี่ยร่างกายของคนเราเป็นอย่างนี้ต่เมื่อตายแล้วเป็นยังไง พอตายใจออกจากร่างแล้วก็ถ้าว่ า, มมาไม่มีใครเผาไม่มีใครฝังนะมันก็ไปนอนอยู่ในพื้นแผ่นดินขึ้นอืดผลใ น, นสูดกรอแมลงวงมแมลงวันพวกสัตว์ป่าเปื่อะไรก็มาแทะมากินแหะที้ร่างกายของคนเราเหลือแต่กระดูกต่อไปกระดูกก็ผลตกลำมาหลายปีลุยลงไปไปตกอยู่ในแผ่นดินกองเกลือนอยู่ยนะขาวโพลนผลในสูตรกายเป็นดินไปเมื่อหลายร้อยหลา ย, ลายพันปี เอาไปแบบก่อนไปเรื่อยๆนี่แหละร่างกายของคนเราร่างกายของสรตวสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าคนทําไม่เผาถ้าเผาแล้วเป็นยังไงไอ้คนตายเขาจับเข้าไปในหีบมือหีบศพเสร็จแล้วก็ฉีดยาไม่ให้เน่าพอฉีดเจอๆกันได้ขโมยก็ไปเผาไฟเอาเข้าเมนเอาเข้าเมนแล้วเป็นไงเป็นกระดูกจะเอาให้มากให้น้อยก็ได้ไฟแรงไฟไข่จากนั้นก็เอาดูดไปโปรยทิ้ง เนี่ยมนุษย์ของเราเป็นอย่างนั้นใจไหมไม่มีใครปฏิเสธได้จะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็เป็นไปอย่างนั้นอันนี้คือร่างกายของมนุษย์ชาติที่พวกเราเผากันอยู่ตายกันอยู่แต่ละวันแต่พวกเราอยู่นี่เหมือนกับคนไม่ตายแต่พวกเราไปอยู่ที่กรุงเทพใช่ไขนเข้าวันหนึ่งไม่รู้กี่ศพกี่เมนถ้าวัดใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องความตายเนี่ยไม่ได้เลือกใครทั้งหมดนะ่ะเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาถึง มรณะนุสติแล้ลึกถึงความตายเอาไว้ถ้าคน ล, ลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอความประมาทจะไม่มีเลยจะเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเตรียมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอนั่นแหละเป็นผู้ไม่ประมาทจากนั้นพอถึงคราวถึงการถึงสมัยเออตายแล้วนะคราวนี้ถึงคราวแล้วไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าอยู่ได้แล้วไข่ค่าเนะี่ต้องไปแน่นะคราวนีนะ้ก็วางจิตวางใจหลับตาเลยหลับพิ้ว จากนั้นกําหนดดูจิตเล ย, เยกําหนดเข้าไปสู่จิตใจเลยไม่คิดปุงฟุ้งซ่านไปทางอื่นยอมรับสภาพปล่อยวางทั้งหมดและลึกถึงแต่บุญกุศลที่ตนเองได้กระทาไว้ตต่ลึกถึงการกระทําทางกายทางวาจาทางใจของตัวเองได้ไหวพระสวดมนต์ในหนังภาวนาได้แต่ลึกถึงปฏิบัติวิดามารดาคูอุปชาอาจารย์ได้ทําบุญทําทานเอาไว้นั่นแหะจิตใจก็เย็นสบายจากนั้นก่อนเมื่อใจหลุดล่าง ออกไปจากร่างกายแล้วพนันล่ะบุญกุศลก็จะเข้ามาพานำพอเราไปสู่สุขติตามคติภพของเราที่ได้สั่งสมเอาไว้ถ้าว่าใครทำบุญมากจะไปที่ไหนก็ได้ทั้งหมดถ้าหากคำทำบุญน้อยก็ไปเกิดในภพภูมิที่ใกล้พราะนั้นพวกเราอย่าประมาทนะคาว่าประมาทคำนี้นะ่ะไม่ใช่คือไม่ตั้งใจไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนอยู่แบบไม่คิดอยู่แบบลอย อยู่แบบไม่เชื่ออยู่แบบไม่ตั้งใจอย่างนี้แหละท่านว่าประมาททั้งหมดความว่าไม่ประมาทก็คือให้ไข้ควรไตรตองพิจารณาเหตุและผลอยู่เสมอเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปไข้ควรทบทวนดูจากนั้นก็กําหนดภาวนาดูทําจิตให้สงบดูแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายดูใจเป็นไงายเป็นไงใจเป็นไงก็กำหนดดูจิตใจของเราจากนั้นกับพิจารณาถึงมรณนะ จะกนั้นพินาถึงความตายแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายจากนั้นจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้นั่นแหะความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะอยู่ที่ใจของพวกเราแน่นหนามั่นคงที่สุดจะไม่หวันไหวถ้าเราปฏิบัตินะทางธรรมะเพราะฉะนั้นท่านว่าเราเรียนปริยัติอย่างเดียวนะเราเรียนปริยัติอย่างเดียวก็ไม่ประมาทนะปริยัตินี่ก็เป็นหนทาง ที่จะให้เราได้รู้ได้เห็นแต่ทาาว่าเราไม่ปฏิบัติแล้วมันจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับเราเรียนแผนที่แล้วเราไม่เดินตามอย่างนั้นถึงเราจะเรียนขนาดไหนก็าะคล่องแค่ในแผนที่ขนาดไหนแต่เราไม่เดินตามแผนที่มันก็ไม่ไ่ถึงจุดหมายปลายทางนี่ก็เหมือนกันคนเราถ้าหากว่าเรียนจะปริยตเรียนเรียนเรียนเหมือนกับเคี้ยวอาหารอยู่ในปากแต่ไม่กลืนเข้าไปในท้อง ไม่ได้กลืนเข้าไปในลำไส้ลำไส้ก็ไม่ย่อยคนนั้นจะมีกําลังมาได้อย่างไรไม่มีกําลังเพราะเหตุใดเพราะว่าไม่ได้กลืนอาหารเข้าไปในท้องถ้ากลืนเข้าไปในท้องทถนี่มันย่อยอาหารเถอะเนี่ร่างกายจะแข็งแรงอันนี้ก็เหมือนกันทางว่าเราเรียนปริยัตอย่างเดียวมันเราไม่ได้ปฏิบัติกับลักษณะอย่างนั้นเพราะฉนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษา ในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาได้ยินจากครูบาอาจารย์แล้วลงมือประพฤติปฏิบัตินะไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนานั่งอย่างพระประธานเนี่ยนะทำใจให้สบายสบายไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันนกพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจนั่นแหละอันนี้แหละวิธีดูจิตดูใจถ้าจิตใจของเราเข้าสงบจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งนะได้แล้วนะนะั่นน่ะ นัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะเรียบริมรถแห่งความสุขที่แท้จริงคือความสงบนะในวันนี้หลวงพ่อได้พูดมาก็เป็นเวลาอันยาวนานตอนนี้ไปก็ให้พวกเรานั่งสมาธิการนั่งสมาธิหลวงพ่อผานั่งหลวงพ่อไม่ผานั่งนานเพราะการนั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นกลุ่มเนี่ยเราจะไปนั่งนาน ก็เข้าสู่ความสงบได้ยากถ้าว่าเมื่อเรานั่งในค่ว่าผู้ที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนก็จะได้รู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติเอวอิธีการนั่งสมาธิทำอย่างนี้จากนั้นเมื่อออกจากที่นี่แล้วเราไปนั่งที่กุฏิของเรานั่งตามลำพังของเราพยายามบังคับใจของเราให้อยู่กับกรรมฐานที่หลวงพ่อได้พูดไว้แล้วนั่นแหละเป็นหนทาง ที่ถูกต้องนะอันนี้เป็นเครื่องนําให้พวกเราได้ศึกษาเบื้องต้นวิธีการปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ที่จะเอาจริงเอาจากนั้นพวกเราจะต้องนําไปกุติที่พักของเราว่างๆเตือนโยมกลมนั่งสมาธิภาวนาตามลําพังสู้อย่างสุดๆว่างั้นเถอะนั่นแหละจะเป็นหนทางของเราที่จะพ้นทุกข์ตามพุท ธ, ธประเพณีของพระพุทธเจา้าของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสงค์ว่างั้นเถอะอันนี้พวกเรานั่งสมาธินี่ก็คือเป็นการ นั่งรวมกลุ่มกันเพื่อจะได้รู้วิธีการปฏิบัตินําไปพุทปฏิบัติสำหรับตัวเองในอนาคตเท่านั้นเองนะอตอนนี้ไปก็นั่งสมาธินะเมื่อนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นกับปน ม, มือแล้ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงกับวลี ร, รมพุทโธพุทโธนะ ทำใจให้นิ่งๆไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมาเมื่อวานวันก่อนไม่ต้องคิดอนาคตวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่ต้องคิดให้ใจอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันนจิตปัจจุบั น, นธรรมนี่แหละวิธีการปฏิบัติสําหรับภาวนาเบื้องตน้นจากนั้นจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเย็นอกเย็นใจต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะหยุดพูดแลนะานนีเอานั่งสมาธิ